<c oughs> ตอนทำตอนชองเพื่อหให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมของพวกเราที่กำลังทาอยู่ <c oughs> งอกจับกำลังทมแล้วเราก็สาธยาย เอาของสอนพระพุทธเจ้ามาแสดงออกใจิตใจใจตามได้หลักได้ฐานได้กำลังได้ความเพียรได้ศรัทธาได้สติได้ปัญญา ขณะที่มันหลงเรามีศรัทธาต่อความไม่หลงขณะที่มันทุกขเรามีศรัทธาต่อความไม่ทุกข์ขณะที่มันเป็นอะไรที่มันไม่เป็นอกุศลทั้งหลายเรามีศรัทธาต่ออกุศลทั้งหลายจ่าทษแท้ให้แก้ก้าให้แก้วก้าถลาไกล กุศลเปลี่ยนเป็นกุศลได้ฉลาออกไปกระโดดออกไปเวลามันหลงม่ศรัทธาตัวกงไม่หลงแต่กล้าฉลาออกไปจนกระโดดทั้ง้อมไม่หลงความไม่ทุกข์ความไม่โกรธอย่าไปกลัวตรงนี้ ศรัทธามีความเพียรประกอบขึ้นมาหลวงตาก็พูดอยู่ว่าเวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงนั่นก็คือทั้งหมดแล้วมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาไปเรนขณะนั้น เวลามันทุกข์เปียนทุกข์เป็นไม่ทุกข์นั่นแหละทั้งหมดแล้วเรียกว่าศรัทธาวิญยะสติสมาธิปัญญาเป็นพลังแก้กล้าทลาออกไปอย่าไปกลัวความเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเป็นชัยชนะอย่าไปกลัวตรงนี้อย่าแพ้การแพ้คือตายไปความ ตายไม่มีความหมายความแพ้ไม่มีความหมายความหลงเป็นหลงไม่มีความหมายอะไรกาชนะมีเป็นที่หมายของเราก็โดดใส่สิงกกขังเคยถูกกักขังหนึ่งอันใดมากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดอย่าเหลี้ยวหลังมา ให้มันขังเราได้มีความแกร่งขล้ามีศรัทธามีความเพียรที่อะไรที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่กุศลที่ความฉลาดเป็นความโง่นั่นและมีศรัทธาตัวพเจ้าบาเพ็ญอย่างนี้ พระศีตะทาบำเพ็ญอย่างนี้จึงได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าหล่อสาวกทั้งหลายก็บำเพ็ญอย่างนี้จึงได้เป็นสาวกเป็นพระสงฆ์เกิดขึ้นในพุทธศาสนาไม่ใช่ทำเมือนอื่นที่ว่าพุทธเจ้าบำเพ็ญทั้งจิตมีสติดูจิตต่ามีจิตนะดูกีต แล้วก็มีหลักไม่เจนมีสติมีความเพียรมีสติอยู่เสมอเด้วยเผาแล้วเผากิเลสแล้วป้องกันเอากุศลที่ยังไม่เกิดถ้ามีสติน่ะแล้วก็สร้างกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เกิดขึ้นอีกให้เจริญขึ้นอีกถ้าขนาดที่มีสติน่ะันไปแล้ว งานมันไปขั้นหน้าแล้วเหมือ น, นเราไปจองตัว๋วขึ้นเครื่องบินหรือขึ้นรถเวลาเราจองตัว๋วมันก็ผ่านไปแล้วมันไปแล้วงานเขาลองไปแล้วอ้างไปได้ถึงจุดหมายปลายทางมีสิทธิแล้ว ถ้าเราไปเปลี่ยนล้วก็ต้องยุ่งยากต้องอไปเปลี่ยนอย่าง ก, กับชันจิดเขาก็ไม่ให้เปลี่ยนเพราะงานมาไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเรามีสติมันไปแล้วแล้วก็ไปจากความหลงคนล่าความชั่วจิตก็บริสุทธิ์ไปแล้ว อย่าไปอย่าไปอย่าไปคิดว่าจะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้กรรมมันจะแนกไปแล้วเป็นศักดิ์ศรีไปแล้วถ้าหลงก็ไปแล้วไปในทางต่ำไปในทางที่ไม่ดีเป็นอกุศลไปแล้วนะ่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ไปนะประมาทไม่ได้นะ เวลามันหลงเน่ะเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงนั่นแะถูกที่สุดเรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าเวลามันหลงไม่เปลี่ยนเรียว่าไม่ใช่ปฏิบัติ้าเชแล้วให้มันหลุดจากมือไปแล้วเห็นลูกด้วยให้หลุดจากมือ สมัมหนึ่งปีห2 1รอยี่สิบเอ็ดทีน่นี่น้ำท่วมใหญ่ตื่นขึ้นมาเจ็บเข้าเจิของเอาลูกใส่ตุม่มตุ่มก็ลอยน้ำอยู่จับตุ่มไว้อยู่แต่พอขั่วอันโน่นขัวอันนี้ตุ่มก็หลุดมือไปสิแล้วมันไม่กกับสิแล้ว มองก็ไม่เห็นเพราะกลางคืนจะจะหาที่ไหนก็ไม่เห็นลนะ่ะเพราะมันกลางคืนตุ่มที่ใส่โลกน้อยหลุดมือไปแล้วน่าเสียดายเสียใจมากก็พอไดอันความหลงที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่เปลี่ยนเป็นลูกเนี่ยมันน่าเสียดายนะถ้าไม่เปลี่ยนอย่างนี้จะทำอะไรล่ะจะทำอะไรที่มันดีที่มันถูกต้องล่ะ บางทีไปเอาความหลงเป็นความถูกต้องพเพราใจในความหลงความทุกความโกรธมันก็เสียหายมันก็ทำได้อย่างนี้หรือว่าปฏิบัติการบระเพ็ญนักกิจเขาทำแบบนี้มันยิ่งใหญ่นะมันจึงมาแจรงออกทางกายทางใจมันจึงมีศีลมีสมาธิมีปัญญา กานมันเป็นทางกิจไม่ใช่แบบรูปคำถาอะไรต่างๆไปแบบที่เป็นวัตถุมันเป็นนามธรรมมรรคผลนิพพานเป็นนามธรรมไม่ใช่สร้างบ้านสร้างเรือนไปอยู่ไม่ใช่แบบนั้นปุญญกุมรรคผลนิพพานเป็นนามธรรมต้องทาอย่างนี้ทำออเอง ทนหลงทางก็หลงเอง <Okay. S 1> ท่างก็เปลี่ยนเองพอ <Okay. S 1> ให้หลงอยู่เช่นั่น น, นนะเสียชาติแล้วก็โง่ oh. ด้านเวลามันหลงเราไม่ใส่ใจ <Okay. S 1> แล้วก็เ ป, เป็นไปไม่ได้เราก็มีหลงอยู่เราก็มีสติอยู่จึงเม่อประกอบขึ้นมาแต่เรามีสติ มีความเพียรอยู่อย่างนี้มันก็มันก็ทำทำั้งหมดแล้วปฏิบัติธรรมเรว่าความเพียรมีสติเขาไปทั้งหมดเลย <c oughs> มาใช้เรื่องเล็กๆแต่น้อย <c oughs> แล้วก็ใช้ได้นะ สติไปในกายหัดกายสอนกายหัดให้ตื่นก็ได้หัดให้หลับก็ได้หัดให้ตื่นก็ดูมีสติเห็นกายหัดให้หลับก็มีสติไปในกายอยู่อยู่อย่าวไปดูเวลานอน่ะให้มันหลับง่ายก็หายใจเข้าลู้สึกไปกับ ลมหายใจ ล, ลูไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ไปกลมไปก็หลับไม่ถึงห้านาทีถ้าไปดูก็ไม่หลับนะในตอเราจะใช้เจ้าสรพัดนึกสติเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรนี่เรียกว่าบำเพ็ญดังกิจ ไม่ใช่เอามีดเอาขวานไปถากขิดตักใจไม่มีมีเตบบำเพ็ญไปเลยมีสติไปเลยมีสติดูกิดจิตนคืออะไรไม่ใช่หัวใจที่มันอยู่ข้างซ้ายมือที่มันเต้นตับๆไม่ใช่แบบนั้นจิตคือมันคิด น, นั่นแะมันคิดนั่นะที่ไม่ได้ตั้งใจนะ มันคิดไม่ได้ตั้งใจนานเท่าไหร่ไม่อยากคิดมันก็คิดนี่มานานเท่าไหร่มันก็ไม่ถูกสอนยกตีเห <c oughs> มือนช่างเหมือนมา่าเหมือนโคเหมือนสัตว์ที่ไม่ถูกสอนก็ใช้งานไม่ได้ใจิตใจเราไม่เมื่อไม่ถูกสอนก็ใช้ไม่ได้ก็พึ่งมันไม่ได้ บางทีเราก็ไม่มั่นใจจิตใจตัวเองด้วยซ้ำไปนนแต่เขาจะใช้เราคุมร้อยคุมดีผู้ผู้แผกแผกวันคืนเม้นควันกลางวันเป็นเปนรียวกลางคืนเม่าฝันกลางวันบ่าคิดนั่นก็อยู่แบบนั้นอะไรที่เป็นสาระที่เราได้ประโยชน์จากกายจากใจเอามาฝึกหัดแบบนี้ ตัางคนต่างหัดก็จะอยู่เห็นเป็นสุของกร้องเย็นทั้งพบนี่และพบหน้าเรารู้เดี๋ยวนี้พู้นี้ก็ต้องรู้ถ้าเราหลงวันนี้ผู้นี้ก็ต้องหลงแน่นอนถ้าเราทุกเดี๋ยวนี้ผู้นี้ก็ต้องทุกมันก็มีอยูุู่งนี้แต่ว่ามันไปจากวันนี้ ไม่ใช่ไปเกิดวันผู้นี้เลยแม้แต่การเจ็บไข้หรือป่วยมันเกิดจากวันนี้เราใช้ชีวิตผิดพลาดอย่างไงไปสู่บุดีไปกินเหล้าไปกินอาหารอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นโทษก็มีแล้วก็เลยเกิดโรคในวัดข้างหน้ า, าถึงยี่สิบปีนะ อาจินแล้วมากๆในวันนี้อีกยี่สิบปีข้างหน้ามันจะเป็นมะเร็งไน้ไม่ควรประมาณเราจึงต้องกันดีกว่าการแช่ไข่นี่สติเนี่ยว่องกันที่สุดหรอกน่าจะขยันตรงนี้พวกเราแล้วก็มีโอกาสมีโอกาส โอกาสก็มีนาทีทองก็มีนาทีทองอยู่ตรงไหนตรงที่มันหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงนาทีทองตรงที่มันเกิดเปลี่ยนเกิดเป็นไม่เกิดทั้งที่มันเจ็บที่มันแก่เปลี่ยนแฉเป็นไม่แ่ตรงที่มันเจ็บเปลี่ยนเจ็บเป็นไม่เจ็บตรงที่มันตายเปลี่ยนตายเป็นไม่ตายหรอกเราเรียกว่านาทีทอง ถ้าต้องเปลี่ยนตั้งแต่เนี่ยแต่วันหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงเนี่ยเปลี่ยนไปทางนี้เปลี่ยนไปจากนี่ไปมันจึงจะถึงตรงโน่นถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้ก็ไปไม่ถึงไม่มีนาทีทงมีแต่นาทีขี้กว่านาทีอะไรที่ไม่ดีมีแต่ลองห้ย กเกิดก็เป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เราจะต้องมาศึกษาเรืนี้กันให้มีเมตตาคุณลาิตาเปรคาคิดจะช่วยตัวเองสองสารตัวเองคิดจะช่วยคนอื่นตืิจากหลักนี้เหมือนกันนะ เรียกว่าวิหารและธรไร ม, มเป็นที่ตั้งทําให้เกิดทําอะไรได้สําเร็จถ้าไม่มีวิหารและธรรมเป็นที่ตั้งเสียเลยทําอะไรก็ชี้แพ่ไม่สําเร็จเจนพระจิตัฏฐะนีความรักต่อมนุษย์เมากแต่ความรักของเรา น, นีนทําไหต้องต้องหาคำตอบตรงนี้ให้ได้ไม่โทษถอย จนจะตายไปทรมานจนเหลือแต่หนังหู้ ก, กดูกก็ยังไม่ท้อถอยเพราะความรลักมนุษย์ทั้งโลกถ้าตอบแล้วีไม่ได้มีชีวิตอยู่ไปทำไมไม่ท้อถอยเอาจนสุดความสามารถหลายอย่างในทางทุกข์กติยามไม่มีใครทำได้เหมือนพระ อ, องค์ จนน้อยก็สเสได้นิมิตขึ้นมานิมิตได้จากไหนล่ะลั้งตาคิดเองนะอาจจะได้จากโน่นสมัยพระชนมายุเกตพันษาไปแลกหนาขวนนั่งอยู่ต้นว่าบําเพนนักคีอย่างเนี้ยเอ้ยทุกคนเราเคยทำอย่างนี้นะเรามาทรมานกาย มันก็ไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องของจิตใจเคยทำอย่างนี้นะมันทำให้จิสงบดีเราต้องทำอย่างนี้ลองดูสิมันเป็นธัชกิจอ่างเยหันมาวันเป็นธังกิจตั้งต้นใหม่ใหม่ปีที่หก น, นนะ่ะสังเกตดูนะเพราะอะไรเพราะเคยไว้เพราะเคยตั้งแต่พระชนมายุกเจ็ดพรรษา ทำสมาธินั่งอยู่ใต้ต้นว่าเพราะอยู่คนเดียวปล่อยผ้าบริวารโมเแต่ไปแลกนาขวนลืงไปปล่อยให้ศิตธ า, านั่งอยู่ลมพังพระองค์เดียวโดยไม่รู้จะทําะไรกระเสดว่านิมิตเป็นตากระทบไปจากเกตพันษาถึงยี่สิบ ส0บพันานะเดีสิมันยังมีลอยอยู่นะเรามาทำปันนี้มันต้องมีลอยแนย่นอนละอกกเข้าที่เราจนาเอ้ยเราเคยฝึกแค่นี้นะรู้สึกตัวเนี่ยอาจจะจับมาใช่ได้เรียกว่าตกกระไดคอยกระโจนเคยแป๊บเดียวก็ทำได้มันจนมาก็ใช่ได้ เดี๋ยวนี้ยังไม่จนไไแต่ใช่เวลาแต่มันจนมาเาก็ต้องมเอีเทคนิคนี้ศิลปะอะไรอะไรมาบ้างเราจึงต้องฝึกอัปมาเถอดเพิ่อ เ, เราน้อยก็ดีโบราณทานบาชั่วช่างสวัรดิ์ถงชั่ว ง, งูเรีบลิ่นก็ยังดี เรามาอยู่เรามีศรัทธาเรื่องนี่กันเถอะอย่าประมาทอย่าเป็นยังไงก็อย่าขาดศรัทธาอย่าลู่มอำนาจของความร่๊กโกรธหลงอย่าลุ่มอำนาจของความอะไรทั้งเช่นที่มันจะลบกวนเราให้ตั้งใจตรงนี้เส่นก่อนอะไรมาก็บอกกับดูสีพระจิตัาตุอยู่ ว่าคิดอะไรขึ้นมาบ้างจนเกิดม า, านขึ้นมาอิเดตม า, านขันดั้มงานสังขารม า, านเพวุตรตำมารนั่ชนะได้ก็เกิดอยู่กับชีวิตของเรานี่ยแหละที่เหมือนเกิดปงเกิดแต่งอะไขึ้นมาเราก็ยพยานพยายามเกยพูดอยู่เสมอว่าเปลี่ยนหลงไปไม่หลงเนี่ยทั้งหมดแล้ว เปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเรียกว่าปฏิบัติธรรม้างขยันลูดีว่าภาวนาภาวนาคือยกมือเครื่องจ้างจังหวะหรือเดินจงกรมเอากายมาเป็นนมิตรเตือนเครื่องหมายให้มันลูบไปตามกายเนี่ยมีกายทุกคนอันกายนี่ก็ ก็เหมือนกันล่ะอย่าไปถึงว่ากายแก่กายหนุ่มไม่ใช่อันกายก็เป็นกายเหมือนกันล่ะอันหนุ่มก็หลงเป็นอันแก่ก็หลงเพ็นคนแก่ก็หลงคนหนุ่มก็หลงนกบัวก็หลงย่าโจมก็หลงผู้หญิงผู้ชายก็หลงชาติไหนภาษาไหนก็หลงมันก็เหมือนกันต้องเหมือนกันหมดไม่ใว่า หมายว่าไม่ไม่ใช่ว่าหลงคนละแบบมาหลงกันเดียวกันโกรธกันเดียวกันทุกข์กันเดียวกันเกิดกันเดียวกเจ็บตายเหมือนกันอหิวข้าวเหมือนกันกินข้าอีเหมือนกั น, อ, ก น, กนอันเดียวกันแามันลักษณะไม่ใช่เราเป็นคนเดียวหลงง่วเดินเคยง่วงพระเจ้าเคยง่วงเจนพระองค์เลย เขียนแผนที่ไว้จือ้อนี่แหละผู้เขาลุกได้ความม่วงความคิดฝงสานความลังเลสงสยัยพยายามบัดความหลักข้าพติฆมานาทิฏฐิเอาตัวตนไปเป็นหลายอยา่างมีทุกอยาก่างในกายก็มีตัวตนซ่อนซ่อนอยู่ในจิตก็มีตัวมีตนในสุข ก, ก็มีตัวมีตนในทุกข์ก็มีตัวมีตน มันมีก็ยังเห็นไม่เห็นส ก, กายทิฏฐิทิฏฐิเรียกว่าพระโสดาบันละทิฐิแบบนี้ได้ไม่มีตัวมีตนไปในกายไม่มีตัวมีตนไปในสุขในทุกข์ไม่มีตัวมีตนในความรักความเกลียดชังความพยาบาทไม่มีเพราะมันเห็นแล้วเพราะมันเห็นน่ะ มันจึงไม่เป็นนะ่ยหรือว่าไม่มีนีแต่เห็นไปท้าโสตะบันทาได้อย่างนี้มีสติจริงๆนะถ้าเราศึกษาสติปัฏฐานที่สูตรเนะนี่ยมันเป็นกระแสมันเป็นทางไปจริงๆอะไรที่มันผ่านไปก็ผ่านจริงๆผ่านจากอะไรมันก็ทำได้จริง ไม่ใช่ว่าคิดคำนวณหรมันสัมผัสมันผ่านมาผ่านหลงไปไม่หลงอย่างง่ายได้ผ่านทุกข์ไปไม่ทุกข์อย่างง่าย่ายอย่าเปลี่ยนไปผ่านโกรธไปไม่โกรธอย่างง่ายได้ผ่านอะไรมาง่ายไม่ใช่ยากถ้ามีสติถ้าเราฝึกหัดไว้บ้าง ถ้าไปหัดก็เหมือนกิ้งคุกขึ้นเขาต้องหัดเหมือนกิ้งคุกลงเขารัวความช่วได้ง่ายทำความดีได้ง่ายแต่เราไม่หัดก็ทำความดีได้ยากทำความช่วได้ง่ายพูดผิดหรือเปล่านะและความช่วได้ง่ายใช่ไหม <laughs> นี่ว่าอาจจะพูดผิดน ะ, ะนี่ว่าอาจจะพูดผิดหลวงตาพูดว่าอุคติจันยู่วิปติจันยูเนยยะปะทะปรมะคนที่สอนไม่ได้หลวงตาว่าอะไรว่าไงว่าอุคติจันยู่เลยผู้สอนไม่ได้ขอแจ้ไขเป็นเนยยะปะทะปรมะ คนที่สอนเรื่อยเลยด้วยเหนื่อยยะปัทะประมามอ น, นั้นตาไปสอนยายแกบอกให้มีคลิกมือขึ้นยังเอามือไปซาวกระต้ามากนะเลยเรื่าเหนื่อยเยอะปัทะประมาอ่าอุ้ติจนอยู่เหมือนบัวพ้นน้ำาพิ่มใจรับสักรทิตอีกสองชั่วโมงก็าบานแล้ว ชีวิตของคนบังือนกันย่างนี้ลยว่าอุคติตนอยู่เนยยะอีกสองวันสามวันอวิปติตนอยู่อีกสองสามวันเนยยะอีกสี่ห้าวันอาทิตย์หนึ่งพระธรรมะใต้ดินเลยเป็นอ่างงานของเต่า อ, อาจจะไม่งอกขึ้นมาแต่ว่าเราไม่เป็นเช่นนั้นเรา พยายามยกมือสร้างจังหวะได้ทุกชีวิตอยู่เนี่ยนะได้ยินไว้ที่บอกเนี่ยเคยมีฝังนะหลังตามีฝังถ้ามาสอนคนเห็นคนยกมือสร้างจังหวะถามดูลู่เฉกไหมรู้สึ ก, กมืออยู่ที่ไหนมืออยู่ที่เข่ารู้สึกไหมโอ้ลู่เนี้ยมีหวังแล้วว่เนี่มีวังแล้วว่เนะ่ยยนะกมือขึ้นลู่ไหม เขอกว่าโลยกลมือขึ้นดูมือเขาบอกว่าโ ล, าคาลใครเป็นคนลู่ถามใครไหมของลู่เนี่ยไม่ได้ถามใครเป็นคนลู่เรารู้เองมือวางไว้บนเขาหลงตาว่ามือของคนอยู่ข้างหลังะ่ะใช่ไหมละ่ะไม่ใช่ไม่เชื่อเลยเนี่ยไม่เชื่อว่ามือของเราอยู่เนี่ยทำไมจะว่าอยู่ข้างหลังเอาหลงตาเป็นอาจารย์ทำไมไม่เชื่อละ่ะ <laughs> อ่ะเ่ันนี้มันคือรู้อย่างนี้ดรวยว่าโนโพธิะใช่ได้แล้วเพาะลงไปไหวานลงไปไในเนื้อนามีศรัทธามีความเพียรลงไปไเหมือนกับน้มฝนโรยลงไปให้พอหมะพอดีมีสติอูกลงไป ขยันลูรลงไปมีสมาธิมั่นใจมั่นคงอย่างแนแน่นคอนแว น, น, แนอย่าให้ควา ม, วามขี้เกยียจพาหยุดอย่าให้ความขยันพาทำไม้สติอย่าลุกจะเดินจะไปไหนให้มีสติรู้สึกตัวอย่าให้ความคิดสั่งให้ลุกให้ดัง้งไห้สติเป็นผู้พ า, าทาโมอบให้เป็นใหญ่ เมื่อวิสติเป็นใหญ่เป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจมีสิทธิใช้ใกายใช้ใจจะให้ความคิดให้ความหลงให้ความยิ่เกียดใช้เราให้ความหลงให้ความทุกข์ให้ความโกรธให้อะไรมาใช้ของเราสาธารณะสมสอนกายก็เป็นโสภณิใจก็เป็นโสภณิไม่สงวนตัวอะไรเชื้หอหมดแล้วเลิศหมดแล้วลึจงมา มีโมกเราจึงบาาวาเราเวลาเราปฏิวัติธรรมอิมหังพระกว่าอัตาพวังอามากังปริสัามิอาแต่ผู้มีพระเจ้าผู้เจริญข้าวเจ้ข า, าของมองกกายถวายชีวิตดีเพื่อจะปฏิบัติปูชาไปกรรมฐานที่พการจะไมีพันเตจจิ ก, กนัทยะกรรมฐานนางเทหิ เรื่้ทำมาแจ้งซื้อมว่าขนนี่ผ่านแล้วว่า่มอบกายถาวาชีวิตเพราเราก็มีสัทธามาบวชลงานลาการมาก็มีเป็นนายแพทย์เป็นอาจาจย์ใหญ่เป็นด็อกเตอร์ก็มีอยู่เนี่ยบางทีก็ทิ้งลูกทิ้งเงียมาบวชบางทีก็ชะละอะไรมาบวชเป็นหนุ่มเป็นสาว ไม่จะหวงเล่นไม่ได้สนุกสนานเฮฮานี่นก็นะ่าเคารพเห็นเราก็เคารพนะเคารพทุกท่านไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนเป็นห่วงเวลาเรากิเข้าวอิ่มเอ้เพื่อนเราอิ่มหรือเปล่าเยเราอยู่สบายไอย้เพื่อนเราสบายหรือเปล่านี่ก็ยังห่วงอยู่นะ ไม่ใช่เป็นห่วงนะอยู่คนล้วไม่เห็นกันก็ยังมองอยู่่วงทุกคนในโลกเดียวกวเขาจะทุกข์กวเขาจะลำบากเรีนถามเรื่องไอชีนังกินมาแล้วไหมเ <laughs> ่วนห่วงเขา เราคงมันอยู่ของเขามันสบายกว่าไม่ขี้ว่าเราไม่พีว่าเรามีแต่ผลผู้ผอมๆหมดแล้วะเป็นของกินข้าวอิ่หรือเปล่าฮะอิะ่อมไหมไม่ออกกินข้าวอิ่มหมดเหร อ, อเส้นห่วงเหมือนกันนะเราจงึงไม่ใช่ว่าดูใครอยู่มันนะเราจงึง ใี้ความรักแบบพุท ธ, ธะนะไม่ทอดไม่ทิ้ง<ม>แล้วก็แบ่งงานกันอาหารการกินในจาย์ตุ้มนะมนะถ้าอีกเข้าไอี่มต้องไปฟ้องไาจาย์ตุ้มนะแล้วก็แบ่งงานกันจา์ต้องขางถ้ามี อะไรก็ไปเยี่ยมนักปฏิบัติบ้างป่าภายัยทางทิศตะวันตกแคมกรรมฐานทางโนดนรถดาวก็เรินไม่ไหวนั้นหมดแรงอยากไปอยู่พิษทะเลก็ไม่ขึ้นแจ่งแขนเป็นพันสองพันข้างก็ยังไม่แข็งแรงเราทำว่าจะกรีบไปแข่งแขนหน่อย แขงแขนแเดินเป็นพันพันเก้าก็ยังไม่แข็งแรงมันพิษไม่ขึ้นเหมือนรถมันใช่มามันมันส้มมาขึ้นแล้วเป็นของเก่าไปซะเถอนะขายเป็นขยะเป็นของเก่าอันอันคนมันขายไม่ได้เหมือนเหล็กนะอันหมาอย่างดีกว่าคนนะเป็นเล่หกคู่ถังก็ได้นะอันั่นเนี่ย อย่าถึงว่าเราไม่หวงท่านนะบางคนต่างห่วงกันเห็นหน้ากันกินข้าวเองไหมล่ะเราสินข้าวมาดูแลกันด้วยพวกเราเอถ้าเจอกันอันนี้ก็เป็นธรรมมีน้ำใจอย่างนี้การบรรลุธรรมต้องมีน้ำใจไปจากนี้ในความรักเป็นความเมตตากรุณาเพื่อเพื่อเพื่อแผ่ คนนี้มีแต่ความโกรธความทษความใบบาทความมีแต่ตัวไม่มีโอากาสบรรลุธรรมอ่ะนะต้องมีตั้งต้นจากเมตตาพอาวิหาแล้วทำไปไม่มีมองคนไม่เป็นคนเแล้วคนเป็นคนคนเดียวกันดูจีถ้าจะหลับจะนอนก็ ม, มีเมตตากุณนมองอะไรงี้ดี คิดถึงเมตตาตัวเองเมตตาคนอื่นตื่นขึ้นมาก็ไม่เมตตาคนณ่า <c> ท <oughs> ิดจะช่วยอะไรต่างๆพอที่ช่วยได้ก็คิดจะช่วยกันเอาการเอา ง, งานบ้างเอาทุละบ้างหลักเอาโบชู่บ้างแล้หกเห็นใจตัวเรียกว่า มันกุยทางไว้ให้สำหรับคนบรรลุ ธ, ธรรมชีวิตที่เด้บรรลุ ธ, ธรรมมันตั้งต้นพอสมควรเป็นปัจจัยเป็นเนตสัยยิ่งพวกเรามาอยู่ในธรรมวินยัยยิ่งดีไม่ได้เบียบวินยัยช่วยเรามีศีลสมาทานศีลศีลช่วยเราสมาธิช่วยเราปัญญาช่วยเรามีรั่วล้อมไว้ในกายในใจ มีระเบียบวินัยยิ่งในพรรษานี่ยิ่งมีระเบียบวินัยจะไปไหนต้องก็งต้องระวังให้มันอธิษฐานใจตั้งจิตจะไว้ชักอย่างสองอย่างเพื่ <c oughs> อกลเกาตัวเอ ง, งบ้างจะปล่อยต้อมปล่อยอธิษฐานเอาไว้อธิษฐาน เขาพรรษาเท่านี้ไม่พอมันต้องอธิษฐานโดยตัวเองอีกจะทำออะไรจะชีวิตแบบไหนในช่วงเนี้พิเศษพิเศษจักหน่อยจะทำความเพียรก็ให้พอดีนะอย่าเคร่งเข้มเคร่งเครียดจะเจ็บอารมณ์ก็ให้พอดีเจ็บอารมณ์ไม่ใช่ไม่ไปไหนไปบินทาบารได้มาทำวัดได้ แต่รักษาใจบำเพ็ญตังกิจกายก็ไปไหนก็ช่างัวมันแต่ว่าดูจากบเพ็ญลางกิจเอาไว้ใส่กายไปผมก็เคยเจ็บอารมณ์ไปบินธบาทไปทำวดัดฟังหลวงพอ่อแสดงธรรมทุกวันแล้วก็พยายามไม่ไม่อยู่อย่างคนอื่น ไปบินธบาต์ดคนเพื่อนพยายามหลงเราก็ไม่หลงกับเพื่อนนีเหมือนกันนะนะเวลาไปบินธบาตเพื่อนหลงเราก็ไม่หลงก็เห็นว่าเออเพื่อนหลงเราไม่หลงเหมือนเพื่อนนะสอนตัวเองอยู่เสมอไม่ใช่ตกปนแร้งเป็นแร่งตกบกาเป็นคาบินธบาตผ่านหมู่บ้านออกมาเดินข้ามทุ่งนา พูดกันสอนเราไม่ค่อยมีแล้วก็ฟังแล้วก็รู้ไอ้เพื่อนเราหลงไปแล้วถ้าไม่หลงเราคงไม่พูดอย่างนี้แล้วก็รู้ก็สอนตัวเองเห็นเพื่อนหลงเราก็ไม่หลงนี่ว่าเรื่อนี้เรียกว่าบาเพ็ญดังกิจบางทีไปบินเทบ่ยทางนี้เห็นแต่เพื่อนหลงกันเหรอ เลือกไปทางใหม่ไปอีกทางหนึ่งอีกเขายังมีหลงอีกบางทีเราเดินจงกรมอยู่เพื่อนยังหิ้วกรน้ำมาฟันฝืนปอ๊ปอปอ๊อกๆๆมองหน้าเรายิ้มอยากให้เราไปกินน้ำชาด้วยแล้วก็ไม่ไปเราเป็นดังจิตเราจะไม่หลงกับเพื่อนนะ้า วาคนหนึ่งต้นน้ำชาคนหนึ่งก็มานั่งกินก็คุยกันไปเออเราไม่หลงมันเขานะเราไม่ต้องกินก็ได้น้ำชาอะไรต่างๆน้ำชาก็ไม่ใช่ชาอะไรเอาต้อนอ่ะเอาต้นชาน้าอยู่ตะกัดดินโลกถนเป็นต้นญ้าใช่นิดหนึ่งถูก้นมาเอามาต้อง มันมีเยอะอยู่ในวัดพุทธยาน <c oughs> แล้วก็ไม่กินก็ได้ตื่มน้ำเฉยๆก็ได้เพื่อนทํหน้าจะชวนเราเราก็ไม่ไป <c oughs> เราไม่หลงในเพื่อนหลง <c oughs> นี่เดี๋ยวมัน <c oughs> เป็นดังกิดอย่างเนี้ยเราก็ทำได้มีสิทธิ ตอนที่เพื่อนห ล, ลงวิชิติไม่หลงอันน่านี้ที่ว่าเก็บอารมณ์เวังก็มีด้วยประการชนีกับพระพวอมกัน